ผลของกรรมทุกชีวิตเกิดมาเหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องชดใช้กรรมจเจริญพรท่านผู้ใกล้ทำสัมมาปฏิบัติในพระพุทธศาสนาปฏิสันถานมีญาติโยมซึ่งนับถือศาสนาคริสต์มาคุยกับอาตมาเขาบอกว่าผมเป็นคริสผมไม่ได้เป็นพุทธผมไม่ได้นับถือพุทธศาสนาแต่ผมได้หลักการจากหลวงพ่อไป แล้วก็สวดมนต์เพราะมันจนแต้มแล้วมันจนตรอกแล้วจนประตูแล้วไปทางไหนก็ไม่ได้ผง ม, มันเข้าตาแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรซึ่งต่อมาเขาก็ทำป้ายดีมาถวายมีสีเหลืองแล้วก็มีตัวหนังสือไทยอยู่สองข้างเขียนว่าอยู่เย็นเป็นสุขมีชื่ออาตมาด้วย และเอามาถวายเป็นป้ายเพื่อเอาไว้แจกคนอื่นเข้าบ้างนี่เขาเป็นคริสต์นะเขาไม่ได้นับถือพุทธศาสนาแต่ก็โดยปริยายแล้วก็เอาป้ายดีมาให้เวลาเปิดร้านใหม่เราก็ให้เขาไปบางทีขายไม่ดีพอเอาป้ายดีไปแขวนใครเข้ามาเห็นข้าวโอ้ยดีอยู่เย็นเป็นสุขปากคนเราเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะ พูดดีเส่อย่างเดียวมันก็ดีหมดก็เลยได้ป้ายดีของคริสมาเช่นเดียวกันไม่ใช่ของชาวพูดมาถวายหรอกสายสัมพันธ์ของกฎแห่งกรรมป้ายนี้เขาก็ออกแบบมาเสร็จสับเลยเขาบอกหลวงพ่อครับผมได้ของดีจากหลวงพ่อ ที่สอนผมสวดมนต์ไหว้พระหนี้สินหมดเลยไม่ต้องเป็นหนี้ใครอีกต่อไปแล้วก็ทํางานดีลูกสามคนตั้งใจเรียนหนังสือดีโดยไม่ต้องอบรมไม่ต้องว่ากล่าวลูกอีกต่อไปและลูกก็กลับมาสอนผมเสียอีกลูกเขาก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงผมผมจะตั้งใจเรียนให้จบปริญญาเอกให้ได้ บัดนี้เขาสาเร็จปริญญาตรีกำลังเรียนต่อปริญญาโทแล้วจะเชื่อหรือไม่ก็ไม่เป็นไรเพราะเขาทำตัวอย่างได้ผลมาอย่างนี้บางคนยากจนมากก็สามารถเป็นคนดีได้อัตมาบอกว่ายากดีมีจนสตาร์ทจิตให้มันสูงขึ้นทำจิตใจให้สูงขึ้นเดี๋ยวจะไปพบคนสูงๆด้วยกันมันเป็นสายสัมพันธ์ของกฎแห่งกรรม จากการกระทาที่มีความหมายมิใช่น้อยอา น, นิสงของการแผ่เมตตามีหลายเรื่องที่อยากจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังมีหลายเรื่องหลายอย่างด้วยกันนี่แหละขอจะเจริญพรญาติโยมผู้ที่ทำกรรมฐานขอให้ทำจริงๆ ทำแล้วขอให้แผ่เมตตาออกไปอย่าไปแผ่อกุศลกรรมแก่คนอื่นอย่าเอาความชั่วไปให้เขาเลยเอาความดีไปให้เขาเถอะเราก็ดีโดยพฤติกรรมแสดงออกจากจิตใจเรานี่ให้เราอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีอิจฉาริษยาเขาแต่ประการใดแล้วเราก็จะได้ความสุขก่อนคนอื่นเขานะได้ความสุขก่อนคนอื่นแน่นอนอันนี้ก็เป็นบทความสาคัญอันหนึ่ง ขอฝากญาติโยมไว้ที่นี้ด้วยมันมีประโยชน์ไม่ใช่น้อยนี่แหละแผ่เมตตาสำคัญและเราสามารถแผ่ไปไกลกๆก็ได้เมื่อสักครู่นี้มีเด็กคนหนึง่งเอาของมาถวายตั้งมากมายจะไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาตอนแรกเขาบอกว่าเขาไปขอวีซ่าเพื่อจะไปเรียนต่อที่สหรัฐไม่ยอมออกวีซ่าให้ อาตมาก็บอกเขาว่าให้สวดพุทธคุณสิแล้วลองไปขอวีซ่าใหม่เด็กคนนี้เขาจะเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาแต่ฝรั่งไม่ยอมให้ไปนี่พยานมาเมื่อตะกี้นี่เองกลับมาจากสหรัฐอเมริกาพักอยู่หนึ่งเดือนตอนนั้นหลวงพ่อบอกให้สวดแล้วก็สวดพุทธคุณพาหุ่มมหากา แล้วหลวงพ่อจะแผ่เมตตาให้แล้วไปใหม่สิจะออกวีซ่าให้ไหมเขาไปกับเพื่อนกันตั้งหลายคนคนอื่นไม่ผ่านแต่หนูคนนี้ฝรั่งโอเคทำให้เรียบร้อยฝรั่งมันจำไม่ได้หรืออย่างไรก็ไม่รู้ก็เลยไปเรียนต่อได้ที่สหรัฐอเมริกาบัดนี้เรียนเก่งแล้วอยู่สหรัฐอเมริกา ตอนนี้กลับมาเยี่ยมแม่มหาวิทยาลัยปิดหนึ่งเดือนอาตมาก็ถามว่าเรียนเป็นอย่างไรบ้างละ่ะนูเขาบอกเดือนแรกหนักหน่อยภาษาไม่เก่งแต่บัดนี้เก่งแล้วเก่งภาษาสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ตั้งใจเรียน ทำสิ่งใดต้องตั้งใจจริงอาตมาบอกท่านทั้งหลายแล้วยังไงว่าทำอะไรต้องทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเคารพทำด้วยจิตสงบทำด้วยความถูกต้องทำด้วยเหตุด้วยผลตั้งสติปัญญากรรมฐานก่อนค่อยดำเนินงานรับรองไม่เสียหายแต่ประการใดเลยขอเจริญพร อ, อย่างนั้นบางคนไม่ทำอย่างนี้ก็แล้วไป อีกคนนึงไปเรียนอยู่ที่กรุงปารีสฝรั่งเศสลูกของท่านอดีตอธิบดีมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์บางเขน้นอาตมาเดินทางไปยุโรปหประเทศก็ไปเจอลูกสาวเขาที่ลอนดอนไปต่อปริญญาโทรปริญญาเอกตอนนี้เรียนไปถึงปริญญาเอกแล้วไปเสียเวลาเสียหลายเดือนอาตมาเดินทางไปก็เจอที่กรุงลอนดอน ก็ถามว่าหนูไปเรียนทาไมไม่จบสักทีล่ะจะมัวไปเที่ยวอยู่ทำไมล่ะมันสวดมน์ไหว้พระนะหลวงพ่อจะแผ่เมตตาให้ตอนนี้ได้ข่าวว่าเขาจบแล้วจะกลับมาแล้วเห็นไหมมันมีประโยชน์นะหนูมันสวดมน์พระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี่คือลูกสาวเขาบัตดนี้เป็นด็อกเตอร์จะกลับมาสิ้นปีนี้แล้วได้มีโอกาสทางานทางานอะไร ทำงานบริษัทหรือว่าทำงานในมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสใช้ประสบการณ์ด้วยนี่แหละประโยชน์มากในการแผ่เมตตาอันนี้มันมีความหมายอย่างนั้นอีกคนหนึ่งที่โคกสำโรงขายของขายยาเพศั์มีลูกสาวคนเดียวเขาก็ไม่ยอมให้ไปอาตมาก็บอกว่าให้ไปเธอเหงูแห้งขึ้นแล้ว หนูตั้งใจเชื่อหลวงพอ่อสวดมนนะต์นะบัดนี้จะจบใหม่อีกแล้วปริญญาเอกนะขณะที่เรียนก็ทำงานมหาวิทยาลัยได้เงินทองด้วยแม่ไม่ต้องส่งเลยหางานทำเองทำงานในมหาวิทยาลัยได้เงินเดือนด้วยฝรั่งก็โอเคได้ประสบการณ์แก้ปัญหาด้วยเรียนด้วยแล้วก็ยังได้ความเชี่ยวชาญความชนานาญการด้วย เมื่อสองวันเข้ามาเยี่ยมกลับไปเรียนต่อคราวนี้ได้เตรียมตัวทําวิทยานิพนธ์ส่งเรียนเรียบร้อยก็กลับมาจบปริญญาเอกแล้วก็จะกลับมาเมืองไทยหลักที่ต้องทําในการเจริญกรรมฐานนี่แหละท่านทั้งหลาย เจริญกรรมฐานมันมีประโยชน์ไม่ใช่ว่ามานั่งกันไปสวรรค์นิพพานไปบวชชีพราหมกันแบบนั้นแล้วกลับมาก็มานั่งสอนผัว ก, กันตามบ้านมันคงจะเป็นไปได้ยากทำอะไรก็ทำให้มีความจริงใจอาตมาทึงเน้นว่าทำด้วยความตั้งใจได้ไหมทำด้วยความเคารพเรื่องนี้พูดมานานแล้วเขาก็ไม่เข้าใจ เคารพตัวเองพูดแล้วต้องทำอย่าให้ตัวเองต้องละหลวมหลาะแหละเล้วไหลเป็นมนุษย์บุรุษโคมลอยพูดแล้วสับปรับตรงนี้ไม่เคารพตัวเองเลยนะนี่ข้อที่หนึ่ ง, งต้องเคารพต่อพ่อแม่ด้วยอย่าบาังอาจต่อพ่อแม่นะอย่าเถียงพ่อเถียงแม่แต่ประการใดและต้องเคารพครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณด้วยเมื่อไปเมืองไหนก็ต้องไปเคารพเมืองนั้นจะเป็นสถานที่หรือสำนักงานก็ได้อันนี้หลักของเราจะต้องทำเมื่อเคารพแล้วจิตของเราก็จะสงบสามทำด้วยความถูกต้องและต้องทำด้วยความจริงใจตั้งใจแล้วก็ทำด้วยสติปัญญาของตนเอง มันก็จะออกมาเป็นรูปแบบชัดเจนทำให้ได้อานิสงส์สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการก็ได้จากการเจริญพระกรรมฐานนี่เองกฎแห่งกรรมเป็นผลจากการกระทำของตนการกระทำเช่นนี้ ทำให้ได้ผลได้อานิสงสมความมุ่งมาตนปรารถนาทุกประการนั่นเป็นกฎแห่งกรรมจากการกระทําของเราทุกคนบางคนก็ไม่เอาแล้วไม่รู้จะทำยังไงอย่างเช่นผู้ที่ไปเข้าโรงเรียนในอำเภอผู้ตรวจราชการท้องถิ่นสระบุรีนี่เองเขาก็บอกว่าหลวงพ่อผมคงจะสอบไม่ได้มีโอกาสสอบอีกครั้งเดียวเพราะอายุมันเกิน ก็บอกว่าเอาละเดี๋ยวจะให้เป็นในอำเภอก็ให้นั่งกรรมฐานเข้าตั้งสติเข้ากําหนดคิดหนอคิดหนอแล้วก็เขียนออกมาบัตรนี้บรรจุเป็นอำเภอไปแล้วนี่จบโรงเรียนในอำเภอไปแล้วได้สิบคนเลยแล้วบัตรนี้ก็บรรจุเป็นอำเภอทั้งสิบคนเลยคนเหล่านี้คือผู้นั่งกรรมฐานทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าเอาเงินไปยัดเขาได้ เขียนพื้นทนยออกมาวิธีการปฏิบัติราชการเขาไม่ได้ดูหนังสือเลยนะแต่ใช้วิธีพื้ิในยใช้วิธีเขียนเขาให้เขียนวิธีปฏิบัติราชการก็เลยสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอได้ค่าราชการปลัดอำเภอผู้ตวรวจราชการท้องถิน่นถ้ามีเหตุผลที่จะสอบโรงเรียนในอำเภอได้เขาก็เปิดสอบทั่วประเทศ มีคนสอบเป็นจำนวนพันพันคนแต่เอาไม่กี่คนจะไปได้ทุกคนหรือปีที่แล้วมีผู้ผ่านบรรจุเป็ น, นอำเภอภาคอีสานบ้างมาภาคกลางบ้างแล้วก็อยู่ในกรุงเทพบ้างก็ได้สำเร็จสมความปรารถนามาแล้วอีกประการหนึ่งขอจเจริญพรให้ทราบ จเจริญกรรมฐานแก้กรรมไปในตัวได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการจเจริญพระกรรมฐานเป็นการแก้กรรมไปในตัวอย่างไรลํำลึกชาติของชีวิตเราได้ชีวิตนี้มันคืออะไรขอให้ทำจริงเดินจงกรมยืนหนอห้าครั้งให้ได้บางคนทำไม่ได้ยืนคือตั้งสติจิตผ่านจากยืนศีรษะลงไปปลายเท้า ปลายเท้าขึ้นบนศรีรษะเอาสติกตามไปให้มันทันเราก็จะได้รู้จังหวะและการทำก็จะได้ผลสมคาดปรารถนาและเราดูตัวเราอ่านออกบอกได้ถ้าเห็นคนเดินมาก็ศรีรษะลงปลายเท้าและปลายเท้าขึ้นศรีรษะอย่างนั้น จะได้ทายได้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้จะมาทำอะไรต้องการอะไรและข้างในเป็นโรคอะไรคนนี้มีนิสัยอย่างไรจะคบค้าสมาคมได้ไหมนั่นมันก็เข้าหลักของเราคนผ่านได้ผิดคบบัณฑิตได้ผลคบคนชั่วทำตัวให้อับจนคบคนดีมีผลจนวันตาย เมาเพศจะหมดค่าเมาสุราหมดความสำคัญเมาการพนันหมดตัวเมาเพื่อนชั่วหมดดีมันมีประโยชน์ในการทำงานมีประโยชน์มากนะรู้นิสยัยและความคิดคนอื่นได้กำหนดเห็นหนอ มันไม่ใช่ว่าเห็นคนนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแต่เห็นด้วยปัญญาเวลากําหนดเห็นท่านจะต้องส่งกระแสจิตออกจากน้าผากจุดศูนย์กลางเนี่ยเป็นที่รวมประสาทส่งออกไปเห็นคนเดินมาถ้าเราเคยทําได้แล้วเมื่อเห็นปับ๊บมันก็อ่านออกบอกได้ใช่เป็นแล้วอ่านคนออกรู้ว่าระจิตของคน นิสัยแบบนี้คบไม่ได้เห็นยิ้มเข้ามาหาเราก็รู้เลยว่าเป็นมิตรตอนกู้เป็นศัตรูตอนทวงจะมาขอยืมเงินเราก็อย่าไปให้มันจะออกมาอย่างนี้ท่านจะมีประโยชน์ในการทำงาน เห็นหนอด้วยปัญญาเห็นหนอเห็นด้วยปัญญาเสียงหนอฟังด้วยปัญญาถ้าท่านมีสติกำหนดได้จะรู้ว่าเสียงที่มันพูดมันโกหกเราก็ได้จับได้ไม่ผิดเลยบางทีมาพูดแบบขึ้นห้วยลงเข้าเลยจะพูดให้เราเชื่อเชื่อไม่ได้เสียงมันที่พูด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 แต่ต้องทำบ่อยๆทำย่ำๆทำซ้ำๆซักๆถ้าจิตของท่านสงบเมื่อใดท่านก็จะได้ผลเมื่อนั้นว่าคนนี้มีนิสัยอย่างนี้รูปร่างสวยอย่างนี้ครบไม่ได้ครบแล้วมันเสียหายมันจะออกมาอย่างนี้เห็นหนาอ๋อคนนี้เข้าไปสัมผัสจิตสติมันบอกว่าคนนี้กำลังจะมีชู้ คนนี้กำลังเป็นศัตรูที่ยิ้มมาเนี่ยจะมาฆ่าเรายิ้มมาจะมาหลอกลวงเราต้องทำบ่อยๆและตั้งใจจริงถ้าท่านเป็นผู้บังคับบัญชาหรือข้าราชการจะมีประโยชน์มาก ประโยชน์ที่ได้ประสบการณ์มาอย่างเช่นผู้อานวยการมีประสบการณ์มามากท่านจะอ่านคนออกแน่ๆเพราะว่ามีประสบการณ์กับครูอาจารย์ไม่ใช่แค่ร้อย200คนแต่เป็นพันๆคนเช่นผอโรงเรียนเป็นต้นไม่ใช่ประสบการณ์แค่คนสองคนนะปัญหามันมีมากเหลือเกินสำหรับข้าราชการครู และเราก็มีหน่วยงานมากมันก็มีปัญหามากเราจึงควรตั้งสติไว้แก้ไขปัญหาจะได้เป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมตลอดทั้งประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยจะมีประโยชน์ม่ใช่น้อยขอฝากไว้ถ้าหากท่านทําได้ต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนจะได้รู้กฎแห่งกรรมว่าการกระทํานั้นเป็นอย่างไรถูกต้องหรือไม่ ประการที่สองท่านจะได้ตําราเอาไปดูลูกท่านลูกท่านคนนี้จะเรียนแพทย์หรือหมอหรือว่าเรียนเป็นอายการหรือเป็นผู้พิพากษาก็คงไม่ผิดจะไม่เสียจังหวะลูกของเราด้วยที่พูดเนี่ยการทําเรายังน้อยก็ขอให้ไปติดต่อทําซ้ำซ้ำ ซ, กซากๆทาบ่อยๆเข้าไม่ใช่ว่าเรียนมหนึ่ง ถึงมหเรียนปีเดียวมันก็จบหรือแล้วเราก็มานั่งกรรมาฐานกันแค่สองสามชั่วโมงมันจะได้ผลหรือต้องทำบ่อยๆกลับไปสำนักงานกลับไปรับราชการหรือจะไปบ้านเคหสถานของท่านก็ต้องกาหนดเพราะลมหายใจมันมีอยู่แล้วก็ตั้งสติไว้ที่ลมหายใจทำอะไรก็ทำชา้ชาๆหายใจยาวๆ ท่านจะได้มีสติคิดมีสติแก้ไขปัญหามีปัญญาไว้ช่วยเหลือตัวเองเพื่อแก้ปัญหาให้หมดไปคือทุกนั่นเองออกมาโดยวิธีนี้เป็นต้นหากนอกเหนือจากนั้นคนเราจิตมันไม่สงบหรอกทำได้ยากมากไม่ใช่ทำได้ง่ายๆเลยแต่ก็จะต้องฝึกท่านทั้งหลายเ อ, อ๋ย แข่งเรือแข่งแพพอจะแข่งกันได้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้จริงๆแต่อยากจะเจริญพรถามท่านว่าท่านมีแรงแข่งเรือแข่งแพได้แข่งบุญวาสนาไม่ได้แต่ก็อยากจะถามว่าพายเรือเป็นไหมเคยฝึกพายเรือหรือเปล่าไม่เคยฝึกพายเลยอย่างนี้ท่านจะไปแข่งได้หรือ ถึงจะมีแรงก็จำล่มแค่ลงเรือก็ล่มแล้วเพราะไม่เคยลงเรือไม่เคยพายเรือต้องฝึกของทุกอย่างต้องฝึกมันฝึกฝนจนชำนาญตัวอย่างท่านไปรับราชการไม่เคยฝึกงานแล้วงานท่านจะเดินได้อย่างไร ต้องฝึกงานทั้งนั้นต้องใช้ประสบการณ์กับงานที่ทำท่านถึงจะเชี่ยวชาญชำนาญการเป็นอาจารย์เอกประจำตัวท่านถ้าหากท่านไม่เชี่ยวชาญไม่ชำนาญการแล้วไหนเลยงานที่ทำนั้นมันจะได้ผลเล่ามันจะได้ประโยชน์อันใดเห็นพูดกันเยอะตั้งแต่โบราณว่าแข่งเรือแข่งแพแข่งได้ แข่งบุญวาสนาไม่ได้แข่งเรือแข่งแพนั้นแข่งยากนะพายเรือไม่เป็นจะไปแข่งได้หรือต้องพายเรือเป็นต้องฝึกต้องซ้อมหัดจําเรือต้องซ้อมแล้วซ้อมอีกกว่าจะเอาชนะเขาได้ไม่ใช่พายเรือเป็นพายแล้วเอาชนะเขาได้นะต้องฝึกต้องหัดต้องปฏิบัติต้องหัดให้เชี่ยวชาญต้องซ้อมแล้วซ้อมอีก การฝึกจิตนั้นก็ต้องซ้อมจิตเช่นเดียวกันต้องกำหนดทุกวันทุกเวลางานนั้นก็จะได้เดินไปด้วยดีจะได้มีปัญญาเป็นต้นนี่ขอฝากญาติโยมด้วยทำดีดันไปในทางดีทำชั่วดันเราไปทางชั่ว อีกประการหนึ่งที่มันเป็นที่พึ่งของเราด้วยกฎแห่งกรรมอย่างนี้อาตมาขอเสนอกฎแห่งกรรมว่ากฎแปลว่าดันกรรมแปลว่าการกระทำทำดีมันก็ดันให้เราไปดีให้จงได้ทำไม่ดีทำชั่วมันก็ดันเราไปทางชั่วเอาตัวไม่รอดกฎนี่แหละแปลว่าดันแปลอย่างนี้เรียกว่ากฎแห่งกรรม ก็ขอเจริญพรขอเสนอแนะเราเอาวิถีชีวิตมาวิจัยพ้นแห่งกรรมจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นปนา้านาติบาทถ้าเราติดตัวเรามา 60% เปอร์เซ็นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รู้จักแก้ไขปัญหาแล้วนั้นรับรองว่าท่านต้องเป็นอมพาส เอาปูนหมายหัวไว้ก่อนเป็นอมภาษ ต, ต้องผ่านโน่นผานี่ตลอดรายการต้องสายระโยงอยู่ที่โรงพยาบาลถ้าว่ากฎแห่งกรรมปาณาติบาตติดมา 60% เปอร์เซนต์ต้องเป็นอย่างนั้นแน่แน่ถ้าท่านจเจริญกรรมฐานมันจะเบาบางลงไป ผลของกรรมยกตัวอย่างอาตมานี่เองถ้าไม่ได้ฝึกไว้เราจะรู้หรือว่ารถจะชนอาตมาคอหักเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2521เวลาเที่ยง45อาตมารู้ล่วงหน้าตั้งแต่หเดือนและก็เป็นความจริงเลยถึงวันที่14ตุลา รถก็ชนที่หลังตลาดปากบางขอพับไปเลยนะนี่แหละเวรกรรมตามสนองเราทาั้งๆที่เราจเจริญกรรมฐานแล้วก็ยังติดตามกรรมมาจนได้ต้องใช้กรรมทั้งนั้นไม่ต้องปฏิเสธทุกข้อหาผลัา์กรรมของพระโมคคัลลานะ นับราษาอะไรกับเราซึ่งเป็นปุถุชนคนธรรมดาแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังได้รับกรรมเลยนะพระโมคคัลลานะสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ยังต้องให้โจรมันมาทุบให้กระดูกแตกก่อนพระโมคคัลลานะไปทำกรรมเข้าไว้เอาพ่อไปทุบไปเชื่อเมียว่าพ่อแกแล้วไม่มีประโยชน์ก็เอาไปทิ้ง เอาไปทุบให้ตายอย่างนี้เป็นต้นโดยการปลอมเป็นโจรแล้วก็ทุบพ่อพ่อก็บอกว่าโจรเอ๋ยเราแก่แล้วทุบเราเถอะทุบให้ตายไปเลยแต่ขอบินทบาทเถอะอย่าทุบลูกเราลูกเราไปถ่ายอุจจระในป่ายังไม่มาเขายังนมอยู่อย่าไปฆ่าเขาเลยฆ่าเราเถอะโจร น, นั้นก็คือโมคลานะ ก็เลยเสียใจว่าแม้แต่พ่อจะแก่ขนาดไหนก็ยังรักลูกตลอดเวลาตายแทนลูกได้ก็ไม่ทุกพ่อแล้วก็วิ่งเข้าไปในป่าก็ไปล้างหน้าล้างตาเพื่อไม่ให้พ่อจาได้แกล้งทําเป็นว่าถ่ายอุจจระกลับมาแล้วพ่อก็ปวดร้าวทั้งตัวทั้งร่างก็พาพ่อกลับบ้าน แต่พ่อก็ไม่สามารถทนเวทนาได้ก็ตายเพราะลูกทุบนี่แหละเป็นต้นเหตุมาในชาติต่อมาเมื่อพระโมคคลาบวชเป็นพระอรหันต์แล้วโจรก็ต้องมาทุบพระโมคคลาบ้างโจร น, นั้นก็คือบิดาของท่านเองนี่เห็นไหมแม้เป็นพระอรหันต์ยังต้องรับกรรมรับเวร ไม่จําเป็นต้องเป็นคนธรรมดานะพ้นกรรมของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็รับกรรมนะรับกรรมอย่างไรท่านรู้ไหมตอนที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นโคบาลเอาวัวไปเลี้ยงแล้วก็ไล่โคไปแดดเปล่งๆร้อนจัด วัวก็น้ำลายไหล ย, ยืดหิวน้ำจะกินน้ำในหนองแต่ในหนองนั้นน้ำมันขุนหนองนั้นเป็นตมขุนเพราะน้ำมันจะแห้งแล้วโคบาลก็ตีไม่ให้กินน้ำจะให้ไปกินหนองน้ำที่ใสข้างหน้าจึงตีไม่ให้กินด้วยเจตนาดีอยากให้ไปกินน้ำใสนั่นเองตอนโคบาลมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว พระองค์กระหายน้ำอย่างหนักก็ให้พระอานอน์ไปหาน้ำมาให้เสวยหน่อยพระอานอน์ก็กราบทูลว่าน้ำเนี่ยมันขุ่นมากนะพระเจ้าค่ะต้องเสด็จไปข้างหน้านน้นจึงจะมีน้ำใสสะอาดนี่แหละท่านทั้งหลายเอย๋ยนับประสาอะไรกับคนธรรมดาแม้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องมีเวรมีกรรมแล้วเราจะเป็นแค่ไหนล่ะ กรรมเก่าเป็นสิ่งปฏิเสธไม่ได้ทุกข้อหาที่ว่าแก้กรรมได้นั้นไม่ใช่แก้กรรมเก่านะแก้กรรมใหม่กรรมเก่านั้นไม่ต้องปฏิเสธทุกข้อหาเราจะต้องรับกรรมแต่ก็หนักเป็นเบาไปได้จึงขอเจริญพรเสนอแนะกรรมฐานเนี่ยมันเป็นการสนองกรรมและแก้กรรมบางประการเท่านั้น ทำให้รู้เหตุการณ์ที่เราจะต้องดำเนินงานของชีวิตต่อไปมีความหมายอย่างนั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วผลของการยิงนกตกปลาและหักคอดูเถอะอาตมาเองไปยิงนกตกปลาและหักคอมันตลอด เมื่อสมัยเรียนอยู่มัธยมสายังมีเหตุการณ์ที่ต้องพิสูจน์ให้หมดและเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นบาปกรรมแต่ประการใดนกมันจิกก็ถลกขนหัวมันเอาขนมันออกแล้วก็หักคอมันครูชัวเป็นครูโรงเรียนวัดแจ้งสกลนครก็บอกไอ้หนูอย่าไปหักคอมันต้องไปเชือด มันจึงจะอร่อยดีนี่ครูโรงเรียนประชาบาลเขาคอยรออาตมาไปยิงนกน้องสารายก็ยังมีรูปถ่ายไว้ที่หน้าห้องประชุมนั้นหน้าศาลาหลังนี้กรมแผนที่ทำมาให้น้องสาลยที่อาตมาไปสร้างเวรสร้างกรรมมาในที่สุดเราก็ต้องคอหักอย่างนี้ไม่มีผิดเลยแขนก็หักแล้ว ขาก็หักแล้วไฟก็ลวกแล้วฟ้าก็ผ่าแล้วครบฟ้าผ่าด้วยนะอย่าไปสบดสะบานนะไม่ได้ฟ้าผ่าเอานะใครเคยเห็นฟ้าผ่าบ้างไหมโยมผู้หญิงไปสาบานไว้บ้างหรือเปล่าถ้าเคยสาบานบอกนะอาตมาจะได้รีบไปเดี๋ยวฟ้าจะผ่าลงมาเคยเห็นหนุ่มสาว รำพันรักกันฉันรักเธอเอาชีวิตเป็นเดิมพันได้สัญญาเหลวไหลของหนุ่มสาวอาตมาไปเป็นวิทยากรที่วัดไร่ขิงเขาอบรมเครียดก็ไปพูดแทนเจ้าคุณวัดไร่ขิงที่นี่โรงเรียนของเขาก็ใหญ่อบรมขร้าราชการหลายหน่วย หลายหน่วยด้วยกันข้าราชการระดับบริหารทั้งนั้นแล้วก็มีประชุมวัดพัฒนาด้วยอาตมาก็ไปเป็นวิทยากรสองวันเหนื่อยแทบตายต้องเครียดกันเลยนะพูดอย่างเครียดตื่นตีสี่วิ่งนะแล้วก็เดินจมกลมบ้างอะไรบ้างมาเป็นเวลาหลายปีพอมีเวลาว่างก็เข้ามาในโบสถ์วัดไร่ขิง มาเจอสองคนชายหญิงเป็นแฟนกันแฟนแปลว่าอะไรแฟนแปลว่าพัดยังไงล่ะถ้ามีแฟนแล้วก็เย็นอกเย็นใจเข้าใจไหมอัตมาเห็นสองคนนี้จําได้เคยมาอบรมที่นี่เข้ามาทําไมกันที่วัดไร่ขิงตอนนั้นยังเช้าอยู่คนยังไม่เยอะ อาตมาก็หลบออกไปนอกโบสถ์แล้วก็แอบดูว่าเขาทำอะไรกันมันพูดอะไรกันนี่หนุ่มสาวปริญญาโทจุลาด้วยเอาดอกไม้ทูบเทียนมาคนไทยเราชอบเอาดอกไม้ทูปเทียนไปถวายพระถวายทาไมรู้ไหมขอให้บุญช่วยขอให้หลวงพ่อช่วยทั้งนั้นแหละอาตมาก็หลบไปอยู่ข้างๆ เพื่อฟังเขาฝ่ายผู้ชายก็กราบกราบมองหน้าหลวงพ่อวัดไร่เขิงหลวงพ่อกราบหลวงพ่อกราบหลวงพ่อก็ไม่รับปากหลวงพ่อก็เฉยทองปิดเต็มหน้าไปหมดผมนี่ขอเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับเธอได้ยอมตายเพื่อเธอได้ฝ่ายผู้หญิงก็บอกว่าเช่นเดียวกันเจ้าค่ะ ดิฉันจะเอาชีวิตของดิฉันเป็นเดิมพันได้แม้คลื่นไส้อัตมาคันปากอยากจะพูดแทนหลวงพ่อวัดไร่ขิงเดิมพันอะไรการโยมผู้หญิงอัตมาอยู่วัดมานานก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายเขาเดิมพันกันยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเคยไ้ยเนี่ยขนาดผู้มีความรู้เป็นบัณฑิตนะ อาตมาจำหน้าได้ชัดเจนเลยเคยมาที่วัดนี้เอาชีวิตเป็นเดิมพันตายแทนกันได้ขอถามโยมหน่อยนะโยมผู้หญิงอ่ะขอประทานโทษตายแทนสามีได้ไหมไม่ได้หรือไม่ได้ก็อย่าไปหึงนะโยมผู้ชายล่ะตายแทนภรรยาได้ไห้ได้หรือเอาเรื่องจริงมาพูดกันนะ พวกนี้เหลวไหลพวกโง่โงของมีค่าย่อมได้มายากหนุ่มสาวสมัยก่อนกว่าเขาจะรักกันได้ต้องเห็นใจกันก่อนไม่ใช่เจอเช้าได้เย็นเจอเย็นทิ้งเช้านะได้เย็นทิ้งเช้ามีที่ไหน เขาต้องเดินไปเดินมาไปมาหาสู่กันนานกรุงเทพเมื่อก่อนน้ำไม่ท่วมหรอกเพราะว่าคนกรุงเทพเขาเดินไปหากันจนเป็นคลองเขาเรียกกันว่าคลองหลอดคลองผ่านฟ้าหรือว่าคลองบางลำพูและที่เดินมากที่สุดก็คือคลองแสนแสบทาไมถึงเรียกว่าคลองแสนแสบ ถ้าใครไปครองนั้นจะแสบเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่แสบแล้วทิ้งขยะ ก, กันเต็มไปหมดแล้วก็ปลูกบ้านล้ำเข้าไปตั้งครึ่งครองแสนแสบแล้วเมื่อก่อนนี้เขาเดินไปมาหาสู่กันกว่าจะตกลงแต่งงานกันได้แต่งงานกันยากเดี๋ยวนี้มันแต่งกันง่ายถึงได้เศร้าใจเศร้าใจยังไงมีทั้งรักมีทั้งแค้นมีทั้งแน่นในสวง มีทั้งหึงหวงรบพุ่งชิงชยัยโยมกรรมฐานมีอย่างนี้ไหมคงไม่มีอย่างนี้อีกแล้วนะคงจะไม่หึงไม่หวงแล้วหรือยังไงก็ไม่แน่หรือตำหนิเพราะว่ารู้ทัน เมื่อสองคนที่กราวนั้นสาบานกันเรียบร้อยอัตมาตจำได้แน่ชัดเพราะเขาเคยมาตอนเรียนปริญญาตรีแล้วในที่สุดอัตมากลับจากวัดไร่ขิงมาได้สักหนึ่งเดือนเดือนตุลาคมเขาก็พาพวกมาที่นี่ชมลมพุทธศาสตร์เขาก็มาอัตมาก็ลงมาบรรยายจำได้ชัดเลยคู่นี้ เขานั่งหน้าเลยนะใส่เสื้อแดงแจ๊ดเลยอัตมาก็บอกว่าจเจริญพรนิสิต จ, จุลาจะต่อปริญญาเอกแล้วดีเหลือกเกินเรียนเก่งเร่งก้าวหน้าที่ดีที่สุดอดทนเป็นสมบัติของนักต่อสู้ความรู้เป็นสมบัติของนักปรารถนความสามารถเป็นสมบัติของนักประกอบกิจความมีระเบียบทุกชนิดนั้น เป็นสมบัติของผู้ดีเราเป็นบัณฑิตมันหอมเป็นอันตราพานมันเหม็นเราเป็นบัณฑิตมันหอมชื่นใจวันนั้นอาตมาฝันไปมันหอมอะไรไม่รู้ที่วัดไร่ขิงสองคนหอมดอกไม้ซื้อดอกไม้ไปสามช่อดอกไม้ฝรั่งสองช่อดอกละห้สบบาทแมมรู้ราคาด้วย แต่ดอกไม้นั้นก็ดอกอะไรนะ อ, อ๋อดอกกล้วยไม้แล้วก็มีดอกไม้ฝรั่งไปด้วยแม้สองคนนี้ซื้ออย่างแพงไปเลยเราก็พูดออกไปลอยๆอย่างนั้นเองบอกว่าไปถวายวัดไร่ขิงและปฏิญาณตนว่าจะถวายชีวิตเป็นเดิมพันกับหลวงพ่อวัดไร่ขิงก็เห็นเขาชักเริ่มจากระซิบกัน คงจะกระซิบกันว่าวัดนี้รู้ได้อย่างไรสักครู่ก็ขยับออกไปนั่งด้านหลังคงจะคุยกันว่าหลวงพ่อวัดนี้ยานสูงแงะแงะรู้แม้กระทั่งเราไปปฏิญญาณตนที่วัดไร่เขิงมันโง่ทำไมจะไม่รู้ละ่ะก็ข้าแอบฟังเองแต่ไปพูดอย่างนั้นมันก็เสียชื่อน่ะสิ วัดไร่ขิงข้ อ, อบรมนักบริหารเขาก็มาเชิญไปเป็นวิทยากรอบรมเครียดด้วยอบรมสปช อ, อะไรก็แมรู้ตกเยอะเลยตอนอัตมาไปพูดเนี่ยตกเยอะเลยอบรมเครียดตีสีวิ่งสอบตกกันเยอะเลยวันนั้นมีคนหนึ่งมาเดินกระย่องกระแย่งตารุ่งเห็นบอกอย่างนี้ไม่เข้มแข็ง ต้องเข้มแข็งเขาก็บอกว่ากำลังไม่ค่อยดีครับทะเลขาถ้าอย่างนั้นออกไปเลยตัดชื่อออกไปเลยเขาก็บอกกับตารุ่งให้เขาออกไปทําไมละ่ะมาอบรมหลายวันจนใกล้จะจบแล้วเอาอย่างนั้นหรือหลวงพ่อนี่ถ้าอาตามาไม่อยู่แกก็ออกไปแล้ว แม้เราอุตส่าห์ช่วยพูดให้แล้วนะแปะเจี๊ยกก็ไม่ได้เลยน่าจะเอาแปะเจี๊ยมาให้เราถ้าอาตมาไม่ขัดคอแกเอาสองคนออกแล้วไปเถียงแกผมไปไม่ไหวถ้าไปไม่ไหวเป็นหัวหน้าไม่ได้เอาอย่างนี้เลยถ้าไม่ไหวออกไปตัดชื่อออกไปกรรมาการตัดชื่อออกไปอาตมาอยู่ตรงนั้นพอดีก็บอก นี่หัวหน้าให้เขาผ่านเธอเขาก็อ่อนใจมาหลายวันแล้วจะให้เหมือนตะรุ่งได้อย่างไรล่ะตะรุ่งไม่ได้มาวิ่งกับเขานี่เอาอย่างนี้อาตมาพูดได้แต่ถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่ยอมนะก็เลยพลอยได้ไปด้วยประโยชน์อะไรกับคำสาบาน กล่าวถึงสองคนนั้นต่อในที่สุดดูสิปติญญาณกันแล้วต่อหน้าพระรู้ไหมได้กันหรือเปล่าสองคนนี่โยมคิดว่าได้หรือเปล่ามันจะไปได้กันยังไงล่ะก็หลวงพ่อวัดไร่ขิงเนี่ยอาตมาก็ดูหน้าท่านแล้วหน้าท่านเฉยไม่เอออวยด้วยแม้ถ้าอาตมาพูดแทนได้นะก็จะไปอยู่ข้างหลังท่าน ฮัลโหลกูไม่เห็นด้วยโวยมันจะมากไปแล้วรักกันมันไปทำอย่างนี้ได้หรือสัญญากันได้หรือแล้วก็สาบานกันอีกนะอย่าไปสาบานสะบดกันมันเสียวาทะเสียเวลาด้วยนี่ขนาดปริญญาโทนนะในที่สุดก็ามาอบรมที่นี่อาตมาก็พูดขึ้นเขาก็นึกว่า เรามีญาณดีรู้เราก็ได้เล่าให้ว่าฝันไปว่าเจอคู่นึงไปเจอที่วัดไร่ขิงมีดอกไม้อย่างนั้นอย่างนี้บอกชื่อดอกไม้ถูกด้วยบอกยี่ห้อถูกถูกด้วยเขาคงจะหาว่าแม้หลวงพ่อวัดนี้ยานสูงอยู่วัดอัมพวันยังรู้ว่าเราไปวัดไร่ขิงกันแท้จริงเขาไม่รู้หรอกว่าเราไปยืนอยู่ตรงนั้น เขาไม่รู้เรื่องของเราพ้นสุดท้ายก็ไม่ได้กันอยู่มาในไม่ช้าเจ้าผู้ชายก็ไปได้คนใหม่ผู้หญิงก็เสียใจเรียนต่อปริญญาเอกไม่ได้ก็เลยออกมาทำงานเมื่อผิดหวังก็มาเข้ากรรมฐานที่นี่ก็มาบอกอาตมาว่าหลวงพ่อหนูผิดหวังต่อไปจะไม่สนใจเรื่องพันนี้ขนาดว่าสาบานแล้วเดิมพันเอาชีวิต มาตายแทนหนูได้มันยังทิ้งหนูไปมีแฟนใหม่ได้ทำไมหนอหลวงพ่อวัดไร่ขิงไม่ไปหักคอมันละ่ะอ้าวก็หลวงพ่อวัดไร่ขิงท่านเป็นพระท่านจะไปทําร้ายคนอื่นได้หรือพระไปหักคอได้หรือพระพุทธรูปท่านเดินได้หรือยังไงทาไมโง่นักล่ะจ๊ะ ผนกรรมที่ขโมยสตางของยายอาตมาเนี่ยไม่เคยลืมเรื่องกดแห่งกรรมขอเงินยายไปซื้อเครื่องลูกเสือร้อยบาทยายให้สิบบาทมันจะพอหรือยายต้องซื้อกระเป๋าลูกหนึ่งซื้อรองเท้าซื้อเครื่องลูกเสือตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นมัธยมยายบอก10บบาทก็พอยายเคยไปเรียนหนังสือหรือเปล่าล่ะ แยายสอนอาตมาดีนะขึ้นเรือนแบบเบาๆถ้าเดินแรงๆตบถ้าหากว่าเราไปลันผัดเดียวๆท่านจะให้ห้าแสนรู้จักห้าแสนไหมฝ่ามือนี่ไงห้านิว้วนี่คือห้าแสนตบดิ้นเลยยายอาตมามีห้าแสนขึ้นเรือนไม่ล้างเท้าให้ห้าแสนเดินเรือน ถ้าเอาส้นเท้าลงเดียวให้ห้าแสนถ้าลั้นเถียงนะให้อีกห้าแสนอาตมาโดนมาแล้วโยมจำไว้เลยถ้าลูกผัดเดียวหนูทำนี่หน่อยเดียวเดียวเอาไปเลยห้าแสนมาใกล้ๆตบให้ดิ้นไปเลยอาตมาโดนมาแล้วห้าแ0นโยมยังไม่เคยโดนยังไม่เคยโดนมาอยู่กับอาตมาหนูทำที่หน่อย เดี๋ยวเจ้าค่ะทำโน่นหน่อยเดี๋ยวเจ้าค่ะมาเลยให้ห้าแสนบางคนไม่รู้บอกเดี๋ยวจะให้ห้าแสนเขาก็บอกดีเลยฉันไม่มีเงินจะใช้อยู่พอดีเข้ามาใกล้ๆพอตบเข้าไปโอ้ยอย่างนี้ไม่เอาอัตมาก็เดินจงกรมขวาย่างซ้ายย่างค่อยๆย่องขึ้นเรือนแขกมา อาตมานั่งประจอประแจอยู่กับแขกพอแขกไปแล้วถูกตีแทบตายเป็นเด็กอย่ามายุ่งกับผู้ใหญ่เขาอาตมาโดนมาแล้วแล้วก็อย่าเดินเรือนดังถ้าเดินเรือนดังแล้วทรั์มันจะหนีมันจะหนีได้ยังไงอาตมาก็เถียงยายยายเดินเรือนดังเนี่ยรัพมันหนีไม่ได้หรอกทรั์ไม่มีขา เว้นแต่ผมจะลักมันจึงจะหนียายก็บอกว่าอย่าปากดีนักอย่าเทียงผู้ลักผู้ยายอาตมาก็จำใจเดินเบาๆค่อยๆ ย, ย่องแม้กลับมีประโยชน์มากเลยตอนยายไม่ให้สตังมันเกิดประโยชน์ให้สิบบาทสตังมีรูสตังแดงมีรูโยมจำได้ไหม มีอย่างหรือซื้อเครื่องลูกเสือตั้งสำรับแล้วก็รองเท้าด้วยกระเป๋าอีกลูกหนึ่งจะพออะไรมันก็ต้องร้อยบาทถึงจะพออาตมาก็ย่องดูอยู่ที่หัวนอนแบงค์มีเป็นปึกเลยก็เลยขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอมีประโยชน์นะเดินจงกรมมีประโยชน์ดีแล้วก็เดินเดินไป ส่วนยายก็นอนหลับกลนไม่รู้เรื่องนี่ถ้าหากเดินเสียงดังปึงปังยายก็ตื่นนะสินี่มีประโยชน์นะเดินจงกลมเรือนเบาๆอย่าเดินดังอาตมาค่อยๆย่องไปมองดูยายกลนฟีดฟีฟเสียด้วยเราก็หยิบหนอหยิบหนอห้าร้อยบาทขอร้อยบาทไม่ให้เอาห้าร้อยบาทเลย หยิบหนอแล้วก็เอามาใส่กระเป๋าหนอแล้วก็ย่องลงบันไดไปเลี้ยวกลับมาดูอีกทียายยังนอนหลับไม่รู้จากนั้นก็ไปตลาดซื้อเครื่องลูกเสือกระเป๋าด้วยซื้อมาก็เอามาเก็บไม่ให้ยายเห็นอยู่ไปได้สองวันยายก็มาถามว่าไอ้โน้ใครมาเอาสตางไปเราก็ปฏิเสธ แม้ขนาดผมจะลักสตางยายเชืรึก็อยู่กันมานานแล้วผมเคยลักสตางยายหรือนี่จำไว้เลยจำไว้สอนลูกสอนหลานนะถ้าลักขโมยแล้วอย่ารับนะโยมท่านผ อ, อไปบอกพวกอาจารย์ด้วยถ้าจะเอาของใครหรือแม้เงินของโรงเรียนอย่ายอมรับนะยายก็บอกว่าลูกเอ๋ยหลานเอ๋ย เราอยู่กันสองคนไม่มีใครเองก็ต้องเอาไปแน่ยายนี่พูดไม่รู้เรื่องผมมีสัจจะครบพูดจริงทำจริงขณะที่เราพูดเราก็ทำหน้าตาเบึ้งตึงขึงขังน่าเชื่อถือยายเชื่อสิเออเองไม่ได้เอาก็แล้วไปแล้วใครจะเอาไปล่ะยายนับครบหรือเปล่าล่ะ บางทียายแก่แล้วนับซุ่มซ่ามอาจจะนับขาดนับเกินเราแกล้งพูดอย่างนั้นยายก็บอกว่าเอออาจจะนับผิดไปนะก็นั่นน่ะสิยายยายแก่แล้วอาจจะนับผิดต้องให้ผมช่วยนับสิเราจะได้ชักเอาซะทีละร้อยนะก็สรุปบอกยายว่าไม่ได้เอาไป ถ้าอย่างนั้นเองสาบานได้ไหมได้สาบานให้เต็มที่เลยเอาอยัางไงก็เอาเอาละผมจะสาบานยายครับถ้าผมเอาเงินไปจริงขอให้ฟ้าผ่าแต่สาบานแบบฉลาดนะเพราะเราไม่ได้สาบานให้ฟ้าผ่าให้ตายโยมโยมอย่าไปสาบานว่าขอให้ฟ้าผ่าตายเชียวนะฟ้าได้ยินเข้า อ๋อมันสาบานต้องผ่ามันแต่อย่าให้มันตายเพราะมันไม่ได้สาบานว่าให้ฟ้าผ่ามันให้ตายเวลาก็ล่วงเลยมานึกว่ามันจะไม่เป็นความจริงเงินนั้นมันเป็นของยายสาบานแล้วมันก็ไม่มีอะไรคงไม่เป็นบาปคิดอย่างนั้นตอนนั้นเป็นเด็ก กินของยายให้นำไปถวายพระในเวลาการต่อมาก็มาอยู่ที่นี่แล้วเราก็อยู่ที่นั่นลักสตางยายแล้วก็ไม่พอไปสาบานอีกยายเอากับข้าวไปถวายพระหวานเถาหนึ่งข้าวเถาหนึ่งแล้วก็ต้องข้ามแม่น้ำไปวัดใหม่นนทนอาตมาก็ไปแต่ด้วยว่า เราเกลียดพระเป็นทุนเดิมพอไปเจอเพื่อนข้าวไอ้เพื่อนก็ยังไม่ได้กินข้าวเราก็หิวเหมือนกันก็เลยปรึกษากันกับเพื่อนได้ร่วมกันสร้างความดีด้วยกันคือหนีโรงเรียนเออกินเสียเลยดีไหมพระเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรเดี๋ยวมันก็ศึกไปเป็นผัวใคร ล, ลนะเนาะก็เลยร่วมวงกันกินสบายเลย เมื่อกินเรียบร้อยแล้วก็เก็บล้างจากนั้นก็นอนร้องเพลงสนต้องลมแหวนประดับก้อยร้องได้นะรู้ไหมแหวนประดับก้อยเป็นเพลงของใครเป็นของล้วนควนทมยังอยู่หรือตายไปแล้วตาล้วนเนี่ยเพลงแกร้องดีมากหลังจากกินเสร็จเรียบร้อยก็ล้างเป็นโตใส่เถาภายเรือข้ามแม่น้ำ แล้วก็ร้องเพลงสนต้องลมโบกพริ้วอะไรนี่แหละมาถึงบ้านยายก็บอกหลานเอาอาหารไปถวายพระท่านแล้วหรือยังละ่ะไปถวายแล้วยายยายก็ถามว่าเจอสมพานไหมเราฉลาดตอบก็ตอบยายไปว่าผมไม่ได้ขึ้นไปบนกุฏิรอกให้เด็กไปถ่ายออกแล้วผมก็เอามา ยายบอกไม่ได้นะต่อไปต้องรับพรมาให้ยายนะก็จะเจ้าไปสองครั้งต่อมาโอ้โหหิวแทบตาลายเลยยายแกทำขนมจีนน้ำพริกน้ำยาขนมปลากิมไข่เต่าแกงบอลโยมเคยทานแกงบอลไหมล่ะเคยหรือโอ้โหยายแกงเปรืองมากเวลามีงานแกงหม้อเบอร์เรอร์เลย หม้อใหญ่นะก็กินกันหมดเลยอาตมาก็บอกยายอย่าแกงอย่างนี้สิเปลืองตายเลยเดี๋ยวผมแกงให้เองแกงให้มันมีรสอร่อยกว่านี้หน่อยมันจะได้ไม่เปลืองแกงให้มันคันเอาไว้ก่อนแล้วก็ประกาศว่าใครกินแกงบอนของเราถ้าบ่นว่าปากคันแสดงว่าคนนั้นปากบอน เวลาทานกันก็เลยไม่มีใครบ่นว่าคันเงียบกันหมดมันกลัวจะหาว่ามันปากบอนแล้วแกงก็ยังเหลืออีกตั้งครึ่งหม้อก็บอกยายว่าเวลายายแกงแล้วหมดทุกทีนี่ผมแกงเองเหลือตั้งครึ่งหม้อเหลือไว้กินได้อีกแกงให้มันคันไว้นะ่ะไม่เปลืองจำไว้นะ ในที่สุดแทนที่จะเอาไปให้สมภารก็เอาไปกินซะหลังป่าตาลเพื่อนเยอะอาตมานี่เพื่อนเยอะมีโรงเรียนมัธยมอยู่8โรงเรียนนะมีลูกหลานต้องเรียนให้มันครบทั้ง8ปโรงเรียนเรียนเก่งมากไม่กี่เดือนเขาก็ให้ออกแล้วเรียนเก่ง3เดือน6เดือนเขาบอกออกได้แล้วไม่ใช่จบหลักสูตรอะไรนะ แต่ว่าครูให้ออกแล้วเราก็มีมนุษยสัมพันธ์ได้รู้จักคนมากยิ่งเกลียดยิ่งเข้าใกล้ยิ่งรักยิ่งออกห่างเราก็เอาไปถวายพระซึ่งข้อเท็จจริงเราไม่ได้เอาไปถวายพระเพราะว่าเราเกลียดพระ เป็นทุนเดิมขอให้โยมจำคติไว้ด้วยว่ายิ่งเกลียดยิ่งเข้าใกล้ยิ่งรักยิ่งออกห่างไกลเกลียดเข้าใกล้แผ่เมตตาเสก่อนความเกลียดจะได้ออกไปความรักจะได้เข้ามาแทนที่สร้างความดีกันต่อไปจึงจะได้ผลอาตมาเกลียดพระมาตั้งแต่อยู่วัดตโนดโนนในสวนวัดที่กรุงเทพครองเช็คหนัง ไม่ชอบพระแต่เราก็ต้องมาเป็นพระอย่างนี้โยมก็เหมือนกันนะไอ้พวกขี้เหล้าเมายาหรือเจ้าชู้อย่างนี้ไม่เอามาทำสามีในที่สุดเราก็ต้องไปเป็นเมียพวกขี้เหล้าเจ้าชู้นะนี่มันเป็นกฎแห่งกรรมก็ขอฝากญาติโยมไว้ด้วยปรากฏว่าอาหารมื้อนั่นอาตมาก็เอาไปกินเองพวกอาตมาเยอะ นีโรงเรียนด้วยกันไปลักอ้อยเขาใครเขาด่าเราว่าเราก็คว้างบ้านเขาแหลกเลยนี่คืออัตมาองค์นี้จําไว้พอกลับมาก็ร้องเพลงเหมือนเดิมสนต้องลมกับแหวนประดับก้อยร้องได้แค่สองเพลงก็ร้องเรื่อยมากลางแม่น้ำลบอุรีโนดยายก็ตะโกนถามว่า เจอสมพานไหมก็ตอบว่าเจอยายผมรับพรมาโชคเลยยายก็รีบบอกมามามาเราก็บอกว่ายายนี่ยังไงนะจะรีบเอาพรไปถึงไหนเราก็บอกกับยายใจเย็นๆผมเอาพรมาให้ยายหมดแล้วสมพานอยู่ด้วยผมคุยอยู่กับสมพานตั้งนานแน่ยายก็บอกว่าเออ มาไวๆเลยพอขึ้นไปบนบ้านเท่านั้นแหละตายเลยสมพานนั่งอยู่บนบ้านสมพานนั่งอยู่บนบ้านเรามาไม่บอกเราเลยโดนตีแน่คราวนี้ยายก็บอกไอ้หนูมึงบอกว่าเจอสมพานแล้วรับพรมาแล้วไงเราก็นึกในใจนะแหมสมพานมาทำไมไม่บอกมั่ง คราวนี้โกหกไม่รอดเลยคราวนี้พอดีสมพานท่านไปฉันบ้านใต้แล้วก็เลยแวะมาบ้านยายเยี่ยมยายส่วนเราก็สนต้องลมเรื่อยมาพอมาถึงบ้านตายเลยแหมยายถามว่าเจอสมพานหรือเปล่าก็ตอบว่าเจอแถมรับพรมาฝากตั้งหลายบทด้วยนะยายบอกให้มาไวๆเลยที่ไหนได้ สมภาร น, นั่งยิ้มเลยบอกโยมอย่าไปตีมาเลยอาตมาขอบินธบาตเมื่อท่านสมภารกลับไปแล้วยายก็เตรียมเชือกมัดเราแล้วก็ตีเราแล้วมึงเอาข้าวไปไหนหมดยายไม่รู้เรื่องหรอกก็ผมหิวเพื่อนผมก็หิวแล้วก็เอาไปให้พระกินทำไมที่วัดกับข้าวเขาเยอะแล้วผมกับเพื่อนก็เลยกินหมดเลย มันก็ได้บุญเหมือนกันพวกเพื่อนผมมันก็หิวเอาละพวกมึงต้องไปเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มแล้วก็ตีสลกเลยทั้งตบทั้งตีเลยนะในที่สุดอาตมา ก, ก็ต้องไปเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มตอนคอหักนี่ก็เป็นกฎแห่งกรรมที่เราได้ทําไว้อย่างนั้นเองขอเจริญพอรอย่างนั้นถ้าเราไม่ได้มาเจริญพระกรรมฐานก็แย่ ยอมรับผลกรรมไม่ปฏิเสธทุกข้อหาและในเวลาการต่อมาเราก็ได้มาบวชเข้าแล้วจึงได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมากขึ้นเรามานั่งจเจริญกรรมฐานสติมันก็บอกว่าวันที่14ตุลาคมท่านต้องมรณะภาพรถชนคอหักเพราะเหตุใดก็เพราะสติที่เราสะสมเอาไว้นั้น มันจะบอกว่าท่านไปคอหักก็เพราะไปหักนกมาตอนอยู่มัธยมสามนึกขึ้นได้ว่ามันเป็นความจริงทุกประการเราจะไม่ปฏิเสธทุกข้อหา